เพื่อนที่ไปอยู่วัดเมรณะภูทิยานสำนักดูมย น, นหลายวันเนื่อพากกันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองปราพงวันนี้ในประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษ จ, จากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเยียนเทียน และเป็นฟังธรรมพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆปะโคนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิมโมกสเสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควร แล้วก็เหลือนอกในไปเป็นบริเเป็นเวลากัางคืนจะมีทายกพิาการัางหลายตราดวรินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกจ้อทจ้องหลานก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจงึงถือโอกาสาประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเาในเวลานี้ทุกปี สมัยก่อนวัดตรองกบງงี้มีสาขาน้อยวันมาค่าบูชาวันมีสขาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สัขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระที่สุธรรมเณรและญาติโย่อย่างนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระทิกสุธรรมเณรมีญาติโยมามาก มารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรา ย, ยุศทางยิกามากขึ้นนี้ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาพระบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้น เป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสมณีทยกติ ย, ยิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลา ย, ยานภาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทธ์บริวาลมาก ให้อยู่เป็นอีกประเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาพระหรือดิสข่าบูชาเฉพาะตัวเองในสังนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสั้องค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชมกันปีหนึ่งปีหนึ่งนั้นก็จะดีมาก ใน่มีองค์หนึ่งมีสององค์มารวมเพื่อในฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันดูเรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยใ ห, ดให้ดังนั้นวันนี้ที่สู่บริษัทก็น้อยตายกตากาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลูแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกัน ไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความมุสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จักในสักขาทั้งหลายเท่านั้นมาสัขาละอุ้มก็ได้นี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระศิษสุธรรมเินส่วนชายกายกไทยกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติสวัสดี หรือใครอยากจะจอดมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับรัาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมต่างหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อต่อนี้ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำรรมาคบบูชาหรือมีสักกาบูชาตามลำพัง ดังนั้นตึงน้อยลงธรรมดาอามาฆาบูชาวีศักกบูชานั้นพระภิกษุสัมมินเราทายกทายกาทำไหนมาร่วงฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนยำำ่ำธรรมในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกตุดง นี่จะชิดตรงกับไม้ความว่าไม่มีใครดับนอนกันทางทายกทายิกาทางหลายทางพระภิกษุสามเณรทางหลายนั้นพยายามนั่งการตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าไม้ความว่าฟังธรรมกันตลอดคืน น, นั่งเนจะชิดกันตรงวัดกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดน้งกว่าโพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ปไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดน้งกว่าโพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆบางทีมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืน แด้ไปได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มั น, มนเสื่อมอะไก็อืมมันจะเป็นอิฐทีเสกสองประกตานหนึ่งส่วนตัวผมมีอน่ะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณั้าหกทุ่งด้วยตีหนึ่งก็พักนะดิษย์ทั้งหลก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ดิษย์ก็แก่ไป พระแก่เน้นแก่พระแก่เน้นแก่ญาติโยมก็ดิแก่กันไปตามตามกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะอือที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็มันเป็นของจําเป็นของมันเอง <c oughs> อันนี้นี่กเอาเรื่องตคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเราเราก็ฟัง ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้ก็ถ้าเนนก็ไม่รู้ร อ, อยู่นั่นแหละตายมันตายอย่นั่นนั่นเนี่ยอขอวัด น, นี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุวกวันเนี่ย<ว>มันไม่สบายมาแล้วผมกับบางทีผมเลืกไปซะ ห้าทุ่มหกทุ่มจีนเลิกไปกระติแล้วก็ปล่อยให้นระให้เนรในญาติโยมอยู่ไปพักอย่สักจังหหนึ่งเดี๋ยวพงลงออกมองมองมองดูหมดเหมือนกันหมดข้าก็ไปหมดเนก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงยหน้าเดินพ็ลงมายืนดูอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอือันนี้ได้เรียกว่า มันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเดี๋ยวมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่ถ้าเสียไปโดยยังตะกูดของเราไม้ได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธารณสิทธ์ทางไหนรักษาในสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปงยังไงกไ็ ไ, ไม่ได้นําบากเหมือนกัน ถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะใเราก็ไปในไหวเหมือนกันนะอืมจําเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นโดยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทําตามอาจารย์นะอย่างเนี้อืค่อยๆจะทำตามอาจารย์อไม่เกินไป นี่คือว่าผู้ที่นําทําตามอาจารย์อย่างนี้ <c oughs> ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> โดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันแล้วมีพ่อแม่อยู่แล้วก็ทํางานทำหน้าที่การงานทีบ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ทํางานสม่ำเสมอ <c oughs> โดยมากถ้พ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากกันแล้ว <c oughs> ชอบอยากจะเปลี่ยนแปลง <c oughs> ชอบอยากยาเปลี่ยนแปลงกันโดย ม, มากก็ชอบอยากจยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกดุสีดุฮาที่อยู่กับกันเป็นไปต้องแยกกันเป็นอย่างนี้แอ้ใครที่ตั้งอยาใจแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทางทำเองมันดีขึ้นนั่นก็ดีกันได้อย่างนี้ี่เป็นต้นทางอยู่รวมๆเงินต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารพคารวะขอบ ร, บ ร, บระพุติจารันดี เป็นตน้นไม่สูงกับนักปฏิบัติของเร า, าบทมาทําไมปฏิบัติไปทําไมเมื่อโรคโมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโกรธมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโง่มันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นอืมันจะเปลนไปได้ยากทําไมถึงเป็นอยะ่างนี้ไม่มีใครถึงแต่งของธรรมะอีกแท้จริง ธรรมะที่แท้จริงนั้นมันมันก็เป็นของจริงอะ่รเงี้ยเนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรแต่ง น, นัถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยนะู่ไหมอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลาบากเหมือนกัน ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก่อถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมาดื้อดื้ออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับ่ารมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก่อนับถือ ไม่ถึงทำมาถ้าเห็นครูบาอาจารย์กรอบครัวจึงทําหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าจะพระท่านทั้งหลายเลยไม่รู้มัาเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้อือ <c oughs> ชอบจะเป็นอย่างนี้อือ<ม>อยู่ประวัตนสมุสทรั้งหลายนั้นโดยมาก ทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือได้ไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มไม่เต็มตามความสัาพัญของตนเองอย่างนี้ <c oughs> คล้ายๆคติว่าเราเป็นเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไเอาไปมัดกอให้เขาใช่ไือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทํางานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้น เราคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจแตรไปทำว่าไงเพราะมันในเงินถ้าบริษัทถือไปหน่อยหนึ่งเราก็ยอนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งตัวเหมือนกันก็อาศัยตูบาอาจารย์เป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นนั บ, นบถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรส่วนเรามันจะถึงธรรมะเช่อว่ามันเป็น ผู้ตามตามธรรมะทางธรรมของพระทเจ้าใช่ไนะ้มทำไมใจเราถึงจะน้อมไปโสตผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิป น, นูหรูอบ่าโสดาบัญชร์นะี่ตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับ ไมตามสวามผูกมันจะโลคมันก็ไม่ไปตามความโรคคือมันรู้ไอ้ความกรัวหรือความโรคนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ทำแล้วก็มันเห็นทำด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลกมันไม่ดีบางทีโลกเกิดจมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ทำแต่มันก็เห็นทำอยู่แต่หวังยังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นดังงั้นฝุกธรรมะกระดานเห็นธรรมะกระดาน แต่ไม่เป็นเป็นธรรมะไม่ได้เรียนทำรู้ทำเห็นทำปฏิบัติทำได้แต่ว่าร่วงมันจะเป็นธรรมนี้มันยากตันิดหนึ่งนะร่วนที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้อมเช่นว่ามันโคกไม่ได้อืมมันโคกไม่ได้เช่นพุทโธเล่าให้ท่านฟังว่าอืม ถ้าพูดถึงธรรมะล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้เนี่ยโกหกคนอืน่นไม่คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้วางงนะ่ า, างั้นเนี่ยจะทําความผิดไม่คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีร้ายคนก็ดี จะไปทำความผิดมาให้คนรู้เนี่ยไม่มีนี่ไม่มีมีเรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีเห้ยนะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสเน่ยมีนะ่ะไปเอี่ยวทำอยู่คนเดียกวก็นะ่ะมาให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มึงเห็นทำไมถ้าเห็นทำเนี่ะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคน ไม่ยีนะ่จะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกเลยเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในในวัดเราเนี่ยอย่างนี้โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันะอันนี้เป็นต้นทั่วเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรือสถานที่ทำใหมคนเห็นเรา คำที่ว่าคนเห็นเราเนี่ยคือครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ที่นั่นเพื่อนก็มาอยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนี่อเราโกหกคำคำเดียวนี้ว่าคนไม่เห็นเราค้าเราจะหันกลับมาถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก่อนคำอยู่ตรงนั่นแหละคนเห็นใครเห็นตัวเรานั่นแหละคนคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงหวังมันเป็นของแจ้ง เป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็จ้องเห็นตนเมื่อจ้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดี คนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันควมีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเน่คนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบวชลร่องบาดคนไม่มีให้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นค น, นมันผิดเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าเน่ยซีขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะเอ่มันจะโกหกพก่วมไม่ได้ อย่าปฏิบัติตรงไปตรมาเสมอเหมือนกันไก่เรามีเข็มทิศอันหนึ่งทิชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แก้ววางเลยนลีเ้เราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั้นอ่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่กขไปในวันหนึ่งเราเปิดดูเราเอามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกใช่แล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกเใช่แล้ว อันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มคิดเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาเแต่เราเข้าใจว่ามันไปรู้เข็มทิศมันไปคิแตะวันตกมันไปคิดแต่วันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปคิดได้คิดเหนือคิดได้คิเดเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามมันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเราผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทางหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้น่ามนุษย์ทางหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิด แต่อยากจะทําผิดนะอยากจะทําผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ไหวอยากจะทําผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อืมอยากจะทําไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นวิจฉาจิตถินี่อ่ามันเป็นวิจฉาที่มันธรรมะ มันเกิดมาจากเหตุจากวัจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาโดยลอยไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตเททุเหตุถูกมันตัวถูกเหตุผิดมันก็ผิดเชนนี้เราอยากจะปฏิตัดเหตุอย่างนั้นมันไม่น่าเราจะทําอย่างนี้จะเหตุไม่มีเหตุไม่ดีดแปลใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทํางานนิดเดียวอย่างใดนมากๆอย่างนั้นนะ อยากไหมมัดผลอิพานได่ไหมอย่างทําเพี้ยนได้ไหมอยากจะทําอย่างนี้เป็นต้นอืมทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทํางานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอือยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดไปหาหลงพอรถน้ํามนลดูทีรถทําไมน้ํามลเนี่ยอืรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ํามลตรงนี้ มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วย <c oughs> เช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ า, าการกระทำเค่นี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่หยถึงธรรมะนั่น อย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการภาภัสธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปาฏิาจากเตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในทีน่นี้อืมจะไม่มีอะไรมาต่อสู้มัน จัดปัญหานี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูวางสั้นเข้าไปในฟฝาละไอ้ทิศทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกแต่วันดอกจะแล้วนี่อืมนี่นเพราะความหลงของเราเนี่ยจะเป็นเพราะเข็มทศิศให้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นอมันไปไปที่ไหนนั่นเท่าไหร่สัจธรรมคือความจริงฉะนั้นการปฏิวัติ ในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วปัญจวัลย์มันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันกี่นั้นทางนั้นนะอืมพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสอง ส, สองอย่างเท่า น, นี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละอืมันจึงถกมันจึงเพียงกันตลอดนานตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะ ไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในอืมนะซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทาปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี้เท่านั้นเนี่ยไหนที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทําอย่างนี้มันจึงตรงไว้ที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันหนึงอีกตั้งหากทางก็เป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวเนี้ย ทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันเจบเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทางหลายต่างวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างนี่ฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการวางคนไว้ทองเรียง มันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คําที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่ไเรียนนะอืเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนเราก็ดูคาเนึ่เรียนมันขื่อที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เขียนแบบเจสาโดมานะทารตาตะโจเนี่ยธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้ว มันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกศาโลมานาันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั้นแหละไม่รู้ว่าเรียกปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอยู่แล้วลัษณะขันห้า อธาตุทั้งสีดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญาเนี่ยอมันเดดกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอยูน่นั้เรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอน เ, อเรื่องที่มัน เ, เป็น อ, อนิจจังทโทผังมันเต็มอยู่ในนั้ น, นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเาราไปดูฟังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาณิจจาสังขารานิจจายินญาณังนิจจัง เราก็รู้สูตรมันว่ารูปฟังอนิจังเอเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจังจริงๆไหมรู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอดกันมา่อันเสียใจแล้วใหม่มันเป็นอะไรตรงนี้นั่นนะนั่นคืออนิจังแต่ระว่าเรียนรู้ฟังอนิจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ดิบสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันไม่ชัด เรียนด้วยรูปปั้อนิจังเมตนานิจจาฉัน ญ, ญานิจจาสังขารนิจจาวิญญาณ น, นิจังเรียกว่าสวดมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้ยแต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียน ไ, ได้แตสูตรมันได้สวดมันเพราะไปเลยๆนะดูไปได้ตกลงแต่การสวดเลยเพราะสวดทุกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนะี่ยบางทีพูดถึงจับไตใส่คงใส่น้อยใส่ใหญ่อะเ น, นี้ย บางทีคนนอยากเลยนึก ไ, ไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน้นมันไปกันไตอย่างนั้นจะ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของคนมันมีหมดแล้อยู่ในนั่นเนี่ยในตรงรขยายขนาดนั่นแหอะที่อยู่เพรมันสันฐานค น, นมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะกันเจงแบบภาวนาถ้าวันั่งภาวนาเห็นตัวจริงมหมเนี่ยนั่งภาวนาเลยนี่ภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถาศัพท์ ทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นทำมันนั้นเอยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีทำมันนันมันมีขึ้นอะไเนี้ยการกระทาในรัฐพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เช่นก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเราเป็นบริสุทธิ์นะนี่นี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะ ง่ายพูดมันง่าย่เมื่อสมาธิเองคือความสงบทําไมมันึงเพราะเราไม่ไปขโ ม, มยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายดิเจ้าหน้าที่ตามจับ ก, กันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโ ม, มยเขาเนี่ยวะ่ะคล้ายๆนี้เลยว่าเราสงบเรามีการมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมืม่อใจเราสงบ ก, ก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็เยความสงบ อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรีงก็รู้มันมมในจิตใจพยยิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะเนี่มันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี้มาถึงมาเรียนนะเนี่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมไ ป, ไปเรียนมานะจะไปทําจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียน มีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครัวงนันน ะ, ะเแี่ยกไปท่องเนาะเรียนเดี๋ยวขอนอนุการขอบอนวอนอืมขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีสินไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้สินบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมกวเรียนมาเหมือนกันอืม เรียนแล้วก็สวดอืมสวดหมดนะ่เชิญอุตกาปิติธนิกาปิติอันาปิปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสทัทีนีนั่งมันเกิดนอนก็มาคิดเอ๋ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้ไปเชิญเราสินกับมัได้อย่างงั้นถ้าไปเชิญสมาธิกัมาได้อย่างงั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใจเรื่องมันเรื่องเราก็ะทำมาให้มันเป็น จริงๆอย่างเนี้ยความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอาเนี่ยทิ้งไปเอานี่ยทิ้งไ ป, นนงไปสารพัดอย่างนี้นี่น <c oughs> ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นในง่ายๆบางคนก็เห็นใน ย, ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ยาตามพระพุทธเจ้าสอนยาประมาทนะ่อย่าประมาทยาประมาทถึงนั้นเนี่ย อทํำไ้ถึงไม่ให้ประวัติมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่จิตตรงนั้นมันไม่แน่ตอนนี้ยับประมาทถ้าเราประมาทแล้วเรากลไปยึดยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวยึดมั่นกับของที่ที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างนี้ก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังก็สิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่มันจะกัดเราอีกวันหนึ่งได้อืม มันเป็น่ยนจะนี้ฉะนั้นทุกอย่างเลยมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจิาเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจคือช่างมันเถอะอ่าเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอือย่าประมาทเด้ออย่าไปส่งเสริมอะไรมันมากจนในมันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ นะดาให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปอืมเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นไปสุขกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาน่ยก็เรียกว่า ไม่เกินกั่ให้มันพอดีพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้เถึงมันจะบีบััดจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับกมันจะไรอะไรมันจะหนีจากเราเราก็เป็นทุกหรือทุกอยู่กับเรามันไม่ห น, นีจากเราเราก็เป็นทุกสิ่งที่สุกมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกสิ่งที่ทุกที่มันอยู่ในเรานี่ยมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกมันเป็นเสียอย่างนี้ ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดเกิดมาใ้ความเห็นเช่นนั้นน่แจะว่าเหตุในทุกเกิดอการปฏิบัติการอธิบายให้จิตอย่างเนี้ยเรียกว่า การรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยอืถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์เราก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์คือเกิดมาที่ตรงไหนอืแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้ รู้จักทุกรู้จากเหตุเกิดของทุกรู้จักความหลับทุกรู้จากข้อปฏิบัติเกี่ยวกความหลับทุกนี่เรียวกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จากทุกเราก็ไปหมายมั่นในทุกกันอยู่จะมั่ไม่รู้แยกระมาณเช่นว่าเราชอบมา น, นี้ก็ชอบจนเกินไปใช้ใครห้ามก็ไม่ฟังเฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นโทษถึงแม้อาหารการปรบฉันเครื่ อ, มองมือนกัน เออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เดี๋ยวว่าเราชอบมันนะอตอนใบว่บายมาทองมันดืดมันจะงงันทีเออเนาะตกใจมันเป็นเสยอย่างนี้ฉะนั้นพระพจจุทธเจ้าจ่ในรู้จักว่าอันนี้มันทุกเกิดอันนี้มันเป็นทุกอันนี้เป็นเหตุในทุกเกิดอันนี้ความหลับทุกอันนี้เป็นพ่อปฏิบัติเป็ความหลับทุก อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้กรวมว่าให้รู้จักทุกรู้จากเหตุเกิดของทุกรู้จากความหลับทุกรู้จากข้อปฏิบัติเึื่ความหลับทุกมันก็มีเท่าเนี้ยในธรรมะย่อยๆใช่ไหอะไรทุกมันก็เกิดขึ้นแต่ทุ ก, ก็รับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้ว ม, แมีแต่ทุกแล้วมันเกิดแต่ทุกมันก็ดับไป ทุ ก, ก็เกิดได้ทุกเรา ม, มีเท่านี้อ่เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏจักรสงสารนี่ทําไมจึงวนวายเนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียงเนงว่ามันจะสุกมึงต่อมาเกิดกัดเเข้ า, า, าอีกแต่มันเป็นทุกข์ใครฆ่าก้างูเห่าก็ชาวนาเนี่ยมันนอนตัวแข็งอยู่ประสงสารมันนะ่น่ะ เพราะนึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างนี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ย <S 2> <S 2> <S ไม่รู้จักแหว น, น่ะตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้มของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความวอบุญตุนทุกขวอบุญเครื่องสัดตัวของเราเส่ไหอย่างนี้เป็นต้น <S <S 2> <S 2> นี่ก็เพราะความบังดีนัะนดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้พ่อปีบันถึงความหลับทุกข์ทุกทั้งหลายเหล่านี้อมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรืกระดับไปเพราะมันมีทำทั้งหลายทั้งปวงอ่ะมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้งสี่ประการนี้ร well. ู้จากทุกข์รู้จากเหตุของทุกข์รู้จากความหลับทุกข์รู้จากพ่อปีบันถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องเสแล้วก็เพราะมันดวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นนิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวาง ม, ามันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิตอันนี้มันมันวิ่งถึงกันเลยเพรฉะนั้นเร า, าผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันนี้ มันชัดเจนสำคัญได้กระดาษทิ้งะจะของมากนอพูดถึงการหลักการที่มีฉาการที่จะแยกแย ะ, แยะที่ใหญ่คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำํำคงจะดูประกายปีดกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งพูดเรื่องจิตเนี่ยโอโ้โหย บางคนก็คิดไว้ให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั้นแหละติดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จากสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนเฉยๆยกตัวอย่างง่ายๆว่านิชาเลขเรา มันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะไม่ต้องระเดียนอย่างนะปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้ อันนั่นกับอันนั้นอันนี้ก็บุกเดียวได้จํานวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาสําเร็จดีๆอย่างมีพูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสําเลศประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการได้วิชาการก็ดีกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมัน ม, มียีห่ห้อ เพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงกันเดียวกันดังนั้นอย่างที่แตนยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกรพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดในฟืนฟังไม่ได เอาทำไมต้งเป็นไงน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไงอยู่ที่ไหนแตกนกวาแก่ไซสไ์ได้สอนคนเรียน ไ, ได้ทําไมต้องเป็นงนั้นแต่ไม่ไรู้อะไรยังไงท่านวัดคล้ายๆกับคนใบคนใบมันฝันไปนอนกับฝันอืฝันไปเห็นทุ่งนาบางเห็นไรบังเห็นภูเขาบางเห็นสัตว์ต่างๆบางฝันเรื่อยเลื่อยเตืิดิด แต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั่นให้คนอื่นฟังให้ได้เ น, นี่ยเดียกว่าคนใฝ่ไอ้คนหนึ่งนะ่ยฝันไปแตเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้อืมข้าพระเจ้กระโภชนี่เหมือนคนใม่นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงทันไม่โรคถึงทันไม่โกรธถึงทันไม่โงุงผลที่สุดแล้วก็ ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากประจากส์งสารคาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงวัวเห็นควายเห็นจัดต่างๆเอาเรื่องซึ่งทางไหนนั้นมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่นเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่เปลกอะไรกันอมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันเช่นนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันเดียวนั้นเนี่ยแต่พระเจ้เาอยากแกอยาค้คนหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ว่าไอ้ตรงนี้ไอ้ไอ้ไอ้ของสุกปกมันหยดตรงตัวนี้มันสกปกเป็นต้นเราไปเห็นไที่นี่สุปกปรกตรงนี้วันนี้ไปตัวนี้สกปกกริไปน่าจะจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสปกปรกโดยจะทําให้มันสะอาดจะทำยังไง ปัญหามันมีอย่างเนี้ก็ต้องเอาน้ํามาล้างตรงนั้น <S <S <S มาเช็ดตรงนั้นเนะี่ยตรงที่สุกปกนั้นเน่ะยออกเลยมันก็เห็นความสาดเดียวที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดเดียที่อื่นมันเห็นน่ติดตรงนั้นอือถ้าเราไม่ตี น, นัยเห็นสุปกปรกแค่นี้เนะี่ยไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สุปกปรกนะก็เป็นความสาะอยู่โยนไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดกับสุกปกมันปนกันอยู่ผู้ตชนอริยชนมันปนกันอยู่ ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็นยังไม่ชัดเจนเก่งชัดเลือกแหวนความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน <c oughs> เก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่า ม, ม, <c oughs> มันยังไม่จบทางร่านกิจใจประของนี้ เกิดเปมาแล้วอืชอบใจมันมันเสียไปทําไมโดยทุกเสียใจนี่สิ่งที่มันไม่ชอบแล้วทิ้ง ไ, ไปแต่ทําไมมันไม่เสียใจทอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดานี่เกินนี่ธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนันเดียวกันอย่างพวกเราท่านหลายอยู่ด้วยกันเนี้จะอยู่คนอาทิตย์แต่ทางอยู่คนในจังหวัดก็าตามทีเถอะ มาเข้าพ่อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอการจะแล้วเดี๋ยวไม่กับ อ, อยังโสจ่าพู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปทีถ้าความเห็นมันน้อมไปในขณะทุกคนนะไอ้ความเกกะล้าลานเนี่มันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งมีมันก็น้อยเดี๋ยวเพิ่นเนี่ยเดี๋ยวมันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนะี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้น จริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไว้ใจของเรานะเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ไม่ไปถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างนี้พวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกโกงกันจะไม่คิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะว่แวกกันเพราะนอกไปแล้ว มันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ระวังนลยนะน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนอืมเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชน อืมมันเป็นกันยานชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นอืมไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองอพวกปุศลชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้ทำมารวมกันต่อไปทนันทีกาเป็นสู่ปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน คุณสมบัติทั้งสี่ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติรตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสารใครปฏิบัติถูกต้องทางกายวาจาจิตของเราแล้วมันก็รวมกันไปอันเดียวกันจึงเป็นคุณสมบัติอันนี้